ขอความเจริญในธรรมจุมีละท่านปุ่ฟังทั้งหลายแต่หรงปู่พทธยานกำลังนำเสนอเรื่องราวที่เป็นพุทธประวัติโดยการทำงานของพระพุทธเจ้าในช่วงต้นๆวันก่อนได้พูดมาถึงช่วงที่ทรงส่งพระอรหันต์สาวกโกศิภูปไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในคามในคมชนบทราชธานีต่างๆเมื่อท่านเหล่านั้นได้แยกจ้ายกันไปแล้วก็คงจะไม่ไปไกลเท่าไหร่นะฮะก็มีคนที่สถานเรื่อมใสต้องการจะบวชแต่ว่าไม่ได้ทรงประธานพุทธานาุญาตให้บวชไปด้วย บรรท่านเหล่านั้นจึงต้องนำผู้ที่จะมุ่งอุปสมบทมาจากทิศ ต, ต่างๆจากชุนบทต่างๆโดยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจะให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในประเหตุ น, นั้นทั้งพวกภิกษุทั้งกุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและอุคุลบุตรผู้มุ่งอุปสมบทยอมลำบากพระผู้มีพระภาคประทับในที่สงัดดิลรน ก็มีประไทยปริวิตกเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า บ, บนฏิพิสูนธ์ทั้งหลายปะกุลระบุตผู้มุ่งบรรพชาหรือระสมบทมาจากที่ต่างๆจากชนบท ต, ต่างๆโดยตั้งใจว่าตัวผู้มีประภาคจะให้พวกเขาบรรพชาผสมบทซึ่งก็เกิดก็ให้เกิดความลำบากแก่บุคคลทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นเราพึงอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายปัดนี้ผู้เธอนั่นแหละจงให้คุณระบุตรทั้งหลายบรรพชาบรรสมบทในทิศนั้นๆในชนบทนั้นๆแล้วเวลาเย็นก็เสด็จออกจากที่เร้นแล้วก็รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายโดยในยา่าหนึ่งกล่าว ข้อนี้เป็นการแสดงถึงเหตุผลทางด้านประวัติศาสตร์ว่าในคราแรกเนี่ยคือจะลืมว่าพระเจ้ารับสั่งว่าแม่พระองค์ก็เสด็จไปจะเสด็จไปยังรู้เวลาเซนานิคมเพื่อแสดงธรรมเหมือนกันแต่เมื่อท่นทั้งหลายเหล่านั้นแยกจ้ายกันไปไม่นานก็นำกุลบุตรผู้มีศรัทธาเข้ามา เพื่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าบวชให้ก็แสดงว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เสด็จไปที่อุรุวเวลาเสานานิคมซึ่งก็หมายความว่าการไปเผยแผ่ศาสนาของท่านเหล่านั้นในช่วงแรกก็คงไม่ไกลเท่าไหร่แต่ยังมากลับกลับมาทางข้าวพระพุทธเจ้าแต่ก็มีหลักการประ ก, การหนึ่งคือว่า การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาในตอนแรกเนะี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันค่อยเกิดและค่อยแก้ไขกันไปเรื่อยๆอย่างในกรณีของหกสิบรูปแรกพระเจ้าก็ทรงประทานอุปสมบทให้เองแต่ในการต่อมาก็ทรงประทานอีกมากนะฮะก็แสดงว่ายังไม่ยกเลิกวิธีการที่ทรงประทานเอง ในขณะเดียวกันก็ทรงประธานวิธีการอุปสมบทให้แก่ท่านเหล่านั้นเพื่อเป็นการสะดวกแต่ว่าท่านเหล่านั้นเียนรูปเดียวนะสมัยแรกเนี่ยเป็นรูปเดียวแต่นั่นเองสามารถเป็นอุปชาให้บรรพยาอุปสมบทแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาได้แล้วเ ร, ราไรเพราะท่านเป็นประหรันบริสุทธิ์หมดจดด้วยประการทั้งปวง ไม่มีปัญหาที่จะพึงท้วงติงจะพึงตำหนิแต่ประการใดแต่ว่ามันก็เป็นพุท ธ, ธานุญาตที่ดำรงอยู่ได้ระยะหนึ่งจตในการต่อมาก็ทรงเปลี่ยนแปลงอีกแล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งก็คือว่า คนในยุคในสมัยนั้นแสดงว่ามีวาสนาบารมีสูงส่งมากคือขนาดว่าประสงค์ที่กระจา ก, กระจายกันไปไปยแผ่ศาสนาไปพบปะเข้าพูดกันไม่เท่าไหร่ก็เกิดสถานเลื่อมใสสลาสมบัติออกบวชเนี่ยคือสลาความสะดวกสบายในชีวิตคารวะออกมาบวชมันก็หมายว่าเป็นยุคสมัยที่คนก็สนใจในทางธรร ม, มากกันมาก เพราขนาดว่าบางรายยังต้องมีการส่งคนไปสืบข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าอย่างพระเจ้ากัปปินะทุกวันจะส่งส่งคนไปในทีต่ต่างๆไปสืบข่าวดูว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วหรือยังก็หมายความเป็นยุคที่คนตื่นตัวขึ้นติดตามข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้า แล้วถ้าดูอีกทีหนึ่งก็น่าจะสืบเนื่องมาจากข่าวการอุบัติของเจ้าชายจิตทัตแล้วก็มีโหรทํานายว่าจะมีคติเป็นสองถ้าอยู่ครองคารวะจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ์ตีต่ อ, อโบสถจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกนี้ข่าเหล่านี้ก็คงจะแพร่หลายกระจายเพราะเป็นพระราชนิ ม, มาธ์และอยู่ในราชวงศ์ใหญ่นะฮะแม่นาจากรจะไม่ใหญ่แต่ว่าราชวงศ์มันใหญ่ คนที่รอคอยนั้นก็คงจะรอคอยพระองค์อยู่ส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็คือรอคอยการอุบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นใครนี่เขาก็ไม่ติดใจหรอกแต่ขอให้เป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วกันบังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเรียกประชุมพระสงฆ์แล้วก็ส่งรับสั่งถึงปรารดที่ทรงพิจารณาในขณะที่เด็กเล่น ใช่ชื่อก็รักษา่ว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่นแหละจงให้คุณระบุทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้นๆในชุดนบทนั้นๆเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราอนุญาตพวกเธอนั่นแหละจงให้คุณระบุทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้นๆในชุดนบทันนั้นแล้วก็ส่งรับสั่งเน้นยา้ำอีกทีหนึง่ง ก็คล้ๆกับอนุญาตเป็นสามครั้งด้วยกันทีนี้ก็ทรงอธิบายถึงวิธีที่จะให้บวชรับสา่งว่าชั้นขั้นแรกชั้นแรกพวกเธอเพิ่งให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทปรงผมเล่นหัวดจลูมนะครับปรงผมกับหนวดรดนการดิทรา บ, บางแห่งท่านไว้เคราวเนี่ย ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่แม้แต่คิวนี่ฮะที่จริงในนี่นไม่ได้บอกให้โกนเนี่ยก็บอกแค่นี้ผมผมโกนหนวดต้องผมผ้ากาสายะให้ทำผ้าขมเช่วบียงบ่าแล้วก็กราบเท้าพิสูจน์ทั้งหลายแล้วนั่งกระยงประคองอัญชลีแล้วก็เปล่งว่าจา ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทีระึกจากวิธีที่เรานำ ม, มาใช้ในปัจจุบันเนี่ยคือตั้งแต่เริ่มขอบันประชามาแล้วมาจนขอศีลเป็นสามเณรในจบตรงนี้ที่จริงก็ไม่ต้องสมาทานศีนหรอกแต่ว่าประเพณีเนี่ยมัน กำหนดให้สมาชิษณ์ในความเป็นสมัครับสามเณรในสมเด็จโดยการประกาศตนถึงพระเจาสนคุ้มก็อย่างเงี้พุทธังสนนังกาชามิธรรมังสนังกาชามิสังขังสนนังกาชามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งประธรนมาเป็นที่พึ่งที่จะลึกถึงซึ่งประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่จะลึกแล้วครั้งที่สองครั้งที่สามย่อยถึงอย่างนั้น ประเด็นสำคัญว่าการประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าอย่างที่เราทำไปรูปแบบพฤติกรรมต่างๆโดยการกราบไหวโดวยการสแกนแสดงความเคารพโดยการเปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าโดยการมอบกายถวายชีวิตต้องการยอมเป็นทาต่อพระตนใดก็มีหลายระดับนะฮะมีความเข้มข้นหลายระดับแต่ว่าก่าวโดยเนืหาสาระ คือคำว่าถึงเนี่ยหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่นั้นเช่นถึงบ้านเนี่ยมันก็ต้องถึงพื้นที่บ้านเป็นอย่างน้อยแต่ว่าถึงเรือนนั้นมันต้องเข้าไปอยู่ในเรือนอย่างน้อยก็ต้องเหยียบบันไดเรือนแล้วถึงวัดเนี่ยเข้าบริเวณวัดแต่ถึงกุฏินี่ต้องขึ้นบันไดกุฏิแล้วถึงเรียกว่าถึงกุฏิได ทีนี้รัชามิเนี่ยมันมีความหมายสองความหมายความหมายหนึ่งแปลว่าไปความหมายหนึ่งแปลว่าถึงเราแสดงว่าการถึงนั้นเป็นอิริยาบถ ท, ที่สืบเนื่องมาจากการไปและการมาการมาถึงการไปถึงได้แก่การพยายามปฏิบัติตนให้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นคืออยู่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้น การถึงพระรัตน์ไตรก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันต้องถึงด้วยกายคือการแสดงความเคารพอ่ อ, อนน้อมต่อพระตัณฑ์ไตรเวลาทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระตัณฑ์ไตรจะต้องทําด้วยการแสดงความบมดน้อมเวลานี้เป็นเครื่องที่น่าสลดใจสังเวชใจคือพอได้ข่าวเรื่องขโมยพระพุทธรูปแล้วเนี่ย เราวน่าเปลีใจนะฮะว่าพุทธศาสนิเอ ก, กชนเองนะเป็นคนขโมยไม่ใช่ศาสนิกในศาสนาอื่นศาสนาอื่นนั้นอาจจะทุบอาจจะทำลายบ้างนะฮะแต่ว่าความเป็นชาวพุทธของเราที่ประกาศตนถึงรัตนไกลเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่มีสานึกแม้แต่ที่จะถนอมรักษาพุทธปฏิมาอันเป็นสัญลักษณ์ของระพุทธเจ้า บางครั้งเป็นสมบัติโบราณมันมีคุณค่าในด้านจิตใจสูงคือไม่ได้คิดเป็นเงินเป็นทองหรอกแต่ว่ามีคุณค่าในด้านจิตใจก็ยังมีการลักการขโมยของพวกที่เห็นแก่ตัวแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองเป็นเรื่องทิาสลดนะฮะเรเห็นว่าการถึงอย่างนั้นที่จริงก็คือไม่ถึงประการถึงจะต้องเป็นการถึงด้วยจิตใจจริง หมายความว่าพยายามปฏิบัติพัฒนาตนเองให้สัมผัสปัญญาคุณของพระพุทธเจ้ามีปัญญาอย่างน้อยระดับรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณปเป็นโทษเป็นเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ปัญญานั้นมันเกิดขึ้นมาจากสองทางใหญ่ๆทางหนึ่งเรียกสัญชาติกะปัญญาคือปัญญาที่เกิดมาติดมาโดยกําเนิด เขาเรียกว่าสัตว์ที่เกิดในตรเหตุคือเกิดด้วยอโลภณโทสะโมหะนี่เขาแสดงไว้ใจของแผ่วเกิดมาแล้วก็มีสติปัญญาดีพิเศษกว่าคนโลกอื่นนั่นก็เป็นระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบจะเรียกวิโยคะ ป, ปัญญาการประกอบก็คือการศึกษาเรียนรู้ทางประสาสัมผัส ดูด้วยตาฟังเลยหูสูดลมเยืหมูกริมได้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วไปเหนี่ยวนึกตรึกนึกติดใจแล้วก็นําเรื่องเหล่านั้นมาคิดที่เรียกว่าจินตามายะปัญญาขึ้นนามาคิดทีนี้พิจารณาโดยเหตุโดยผลจนเกิดความรู้ความเข้าใจในยะของปัญญาเหล่านั้น มีการสอดส่องมองเหตุมองผลมองเชื่อมโยงผลจากเหตุมองเชื่อมโยงเหตุจากข้าไปหาผลจนถึงมีปัญญาในการบริหารตนเองเรียกว่าภาวนาเมยปัญญาคือลงมือประพฤติปฏิบัติเป็นการพัฒนาสัมโภศคือความหลงความงมงายความระเหตุผลต่างๆให้ออกไปจากจิตใจ เพรการที่กุลบุตรเหล่านั้นเข้ามาบวชเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องพระรัตนตรัยอยู่พอสมควรเขาแสดงว่าท่านเดยสัมผัสปัญญาระดับหนึ่งก็นีก ด, ดูว่าคนสมัยนั้นไม่ใช่บวชตามธรรมเนียมอย่างสมัยนี้เป็นการบวช ด, ด้วยศรัทธาระสาธาจริงๆคือเกิดศรัทธาระสาธาขึ้นมาแล้วเขาขอบวช บวชส่วนใหญ่ก็เมอกายถาวายชีวิตยุคแรกเนี่ยมันไม่มีข่าวสึกนะยุคต้นต้นเนี่ยไม่มีข่าวสึกมาความบวชแล้วบวชเลยแล้วก็บรรลุมรกรุ่นไปเลยเพียงแต่ว่าไม่มีการบันทึกเอาไว้เพราะว่าอยู่ในยุคสมัยที่ไม่มีการจดบันทึกมีแต่การจํากาบันทึกเอาไว้ประวัติของพระที่เข้ามาบวชในยุคแรกแรแต่รอถึงยุคต่อมานะมีบันทึกไว้ทุกอง์ทุกองเนี่ย ก็จะได้แบบตัวอย่างที่น่าศึกษาอีกเป็นนั้นมากทีเดียวแต่นี้ท่านก็นบันทึกเอาไว้มากเหมือนกันแหะเพียงแต่ว่าถ้าเทียบเคียงจํานวนแล้วมันน้อยเตระคาถาก็าามีอยู่จํานวนหนึ่งเทลีกาถา ก, ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งพวกอุบาสกบาสิกาพวกเอตตะคะก็มีอยู่จํานวนหนึ่งแต่ก็ไม่มากคือถ้าหากว่าเราอยู่ในยุคสมัยปัจจุบัน เหตุการใดก็จดบันทึกเอาไว้ก็จะได้มีหลักฐานมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของบุคคลแต่ละคนแต่ละคนที่เข้ามามื่อกายถวายชีวิตต่อพระรัตนาใจอวรุธิตนต่อพระรัตนาใจทีนี้ปัญญาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับโมหะคือความหลงรานเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมันต้องขจัดความหลง อย่างน้ายที่สุดความหลงระดับมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นผิดสองกลุ่มใหญ่นะฮะสองกลุ่มใหญ่ที่ถือว่าเป็นปัญหาอยู่มากเนี่ยก็มีอยู่สองกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็เรียกว่านิยาตามิจฉาทิฏฐิก็มีอยู่สามประการเกือกิริยทิกิถือว่าการกระทําทั้งดีทั้งชัว่วนั้นไม่เป็นการกระทํา เราเหตุการณ์ที่ติดถือว่าผลหลายนั้นไม่ได้เกิดมาจากเหตุแล้วก็ที่ช้ำ ม, มากคือนักทิการทิฏฐิไปเสร็จไม่มีหมดเลยและจากไม่มีนี่แหละปฏิเสธออกไปก็กลายเป็นสิบข้อด้วยกันเป็นอีกประเภทหนึ่งนะฮะแต่มันเชื่อมโยงถึงกัน ถือว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิติกรรมต่างๆไม่มีผลพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณโลคนี้ไม่มีโลคหน้าไม่มีการทำดีทำชั่วไม่มีผลสับพิพาทเราเกิดไม่มีการรู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามนั้นไม่มีเป็นความเห็นผิดที่แรงมากเพราะว่ามันปิดบังปิดกั้นความเจริญข้าวหน้าของตัวเอง คนเราถ้าปฏิเสธเหตุแล้วก็ไม่สร้างเหตุมไม่สร้างเหตุผลมันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้ปฏิเสธทั้งผลทั้งเหตุนะครับเราเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลก็แสดงว่าปฏิเสธตัวผลทีงเกิดขึ้นจากการให้ผ่านบางครั้งก็ปฏิเสธตัวเหตุเป็น ก, การจะทําดีทั้งชั่วไม่มีผลอย่างเงี้ก็ถือว่าเป็น ก, การปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผล จิตใจของบุคคลที่มีปัญญามากพอสมควรอย่างมาที่สุดเนี่ยต้องขจัดความรู้สึกเห็นผิดแตนน่เนี่ยสิทิประการเนี่ยแฝดได้พระย่าทรงแสดงไว้ในปนัญญกสูตรว่าทั้งสิทข้อดังกล่าวเนี่ยมีอยู่แท้ๆ แ, แต่คนพวกนี้เห็นว่าไม่มีความเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปคิดว่าไม่มีความคิดก็เป็นมิจฉาสังกัปปะคือคิดผิด ไปพูดว่าไม่มีคำพูดก็เป็นมิจฉาวาจาคืวาจาติไปบอกกล่าวชี้แจงแนะนำสั่งสอนชี้แนะบุคคลอื่นเน้นตามคล้อยตามชื่อว่ามีวาถะเป็นปฏิปัติต่อพระอานทั้งหลายในโลกจะประสบบาประกรรมเป็นอันมากพราหลักการเหล่านี้จึงถือว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณา จิตใจก็ไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะยิ่งแต่จากโมหะจะมีความหลงไหลเหลวไหลเลื่อนไหลหไปตามกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสอยู่าการถึงพระกกรพณครายจะต้องมีความบริสุทธิ์พอสมควรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบริสุทธิ์ระดับศีลหมายความว่าการกายกับวาจานั้นจะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เดือดร้อน ส่วนจิตใจอาจจะยังแขว่งแขว่งอยู่บ้างก็ช่างก็เถอะแต่ว่าแก้พิกายกับวาจาให้ได้ก่อนคือถึงระดับศีลนั่ได้ก่อนบริสุทธิ์ระดับศีลนั่ได้ก่อนไม่เบียดเบียนตนอื่นการกระทําอะไรก็ไม่เบียดเบียนตนเองเดือดร้อนไม่เบียดเบียนเบียนมือคนเดือดร้อนจะพูดอะไรก็ไม่เบียดเบียนตนเองเดือดร้อนไม่เบียดเบียนมือคนเดือดร้อน เรามีความรู้สึกดีต่อสัตว์ต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตากรุณาต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายไม่มองไปในแนวเป็น จ, จัตุรูมุ่งเบียดเบียนปะทษสลายกันการถึงพระตนาการเป็นสาระเนี่ยท่านอนาคามีพรมตนหนึ่งท่านได้กล่าวต่อพระพักพรพุทธเจ้า เป็นการกล่าวจากประสบการณ์ตรงของท่านนะฮะหมายความมาท่านเพราะเห็นเรื่องนี้มาในตัวท่านเองแล้วก็ท่านเองนั่นแหละเป็นสักขีปยได้เพราะท่านถึงพระรัตนตรัยด้วยปัญญาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความกรุณาจริงๆสัมผัสได้ลึกนะฮะแต่นั่นก็ระดับสูงไปหน่อยคือระดับพระนาคามีแต่ว่าประสบการณ์ของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ ควนยีดถือเป็นแนวในการดำเนินตามปฏิบัติตามท่านกล่าวไว้ในมหาสมัยยูตรว่าเยเกจิบุตรทางสนังกตาเซชนทั้งหลายเราใดเราหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่เราลึกถึกนาเตยคิสันเตียปายะปูมิงคนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยพระ하ยะมานุสรงเดหังเขงาละกายที่เป็นมนุษย์แล้ว เดวการยังปที่ปุเรศสันติจากยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏพวันาการถึงพระรัตนตรัยจะด้วยการกระทำของใครก็ตามนะฮะจะต้องถึงด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจจริงๆที่ต้องการอย่างยิ่งก็คือต้องความมีมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมเพราะถ้าหากว่าพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังมีความรุนแรงเหมือนเดิม ก, ย า, กายก็หยาบคายร้ายกาจวาจาก็เกรี้ยกาดรุนแรงจิตใจก็มีความมาคาดพยาบาทจองร่างจองผานจองเวนจองกรรมกันเนี่ยแต่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้สัมผัสคุณของพระตันไกลอย่างแท้จริงจึงต้องเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติให้มองเห็นปัญญาภายในจิตตัวเอง เห็นความบริสุทธิ์ภายในจิตตัวเองเห็นการมองโลกมองชีวิตตามโครงสร้างของภวิหารเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าภพิหารนั้นถ้าเรามีเมตตาต่อสรรพสัตว์ได้เนี่ยจะดงว่าใจก็บริสุทธิ์จากพยาบาทจากกรรมราคะจากความรักในทางเพศ จากความรักในฐานะที่เป็นครอบเป็นครัวซึ่งก็ยังมีความต้องการในทางเพศอยู่แล้วจะเกิดความกรุณาต่อคนทั้งหลายที่ประสบปัญหาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนกรุณาก็ทำหน้าที่กระจัดวิหิงสาคือความเบียดเบียนออกไปกาจัดโศกะคือความสุขเมื่อคนที่เรากรุณาไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ คือสรุปว่าการใช้ธรรมะเนี่ยทุกข้อเนี่ยต้องมีปัญญาเข้ากำกับเดยกว่าใช้ธรรมะเป็นไม่ใช่ว่าถือว่าฉันมีธรรมะแล้วก็เ อ, อใช้ไปโดยไม่รู้ว่าจังหวะนี้ควรแท้ธรรมะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ถูกตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้าการได้ถูกตรงตามหลักจรงิงๆก็ต้อง มีปัญญาเข้ากำกับแล้วเวลาขอประสบความจเจริญก้าวหน้าได้ลาประโยะ์ได้สันเสิญเราก็มีมุทิตาจิตกับเขาโดยไม่ต้องการจะมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมหรือว่าแบ่งผลประโยชน์อะไรจากเขาแต่ในขณะเดีวยวกันก็มีความพร้อมที่จะทำใจให้ส ง, งบดุเบคา คิว่สัต์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของตนเองใครทํากรรมอะไรไว้ยดีหรู้เชื่อว่าตามก็จะต้องไป็ผู้รับผลกรรมนั้นถึงถตาหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ได้ในระดับที่เรียกว่าอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นโดยไม่มีเบณมีไผ่มีความสุขความสงบพอสมควรต้องฟังทั้งหลาย ในหงมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้ อ, องามไปบูรณนธรรมจงมี ด, ท, ดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี